การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สําคัญเป็นเจตนาที่สลักทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่สิ่งที่เป็นฆาสึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจริงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ทันเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติ ตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกเหยียบย่ำทำลายภายนจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนรรมเนียม เป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นค่าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุด้อยไปจากหัวใจนั้นไม่มีกิเลส ต, ตัวใดที่จะโมกขาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียง แบบลูกโลกและเป็นเกตนาของกิเลสนั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงสร้างเกตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเริ่มสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าก็ตาม เพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนกธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายขแขนงจึงไม่อ า, อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เด็กเดี่ยวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใด ที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนธทามเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นตัวเหตุ น, นี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้ส่วนขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไปชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบ จากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจํานวนมากมายไม่อาจจาักคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอํานาจแห่งสวากาตธ ร, รรมที่จักไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวากาตธ ร, รรมจึงเป็นธ ร, รรมที่สุดสดสดร้อนๆประกาศตังวาลอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆ ท, ท่าน ที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สรละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวิกนัยไม่เคลื่อนลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจาก ความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่กระรับได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีจิตนาเป็นไหนๆเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤตปฏิบัติตน ตามหลักแห่งสวขาถธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัศิกําลังความสามารถของของเราแล้วนั่นแลชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสด า, ศ า, ศ า, ศาและจะถึงในวันในวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไร นั่นเป็นเพียงการสถานที่อันไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธ เ, ทเจ้าอยู่โดยสุปฏิปนันโนอุชูญายะสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยลับกลับหลังคืนสู่มหันต์ตทุกทั้งหลาย ที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคัน้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สําคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมค้าข้าวกันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบ สึมทราบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซืมทราบถึงธรรมนั้นเป็นปรดยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลก ถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมูสัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เรียนว่าใจาเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสําคัญไม่มีอะไรคําว่าเป็นสัตว์โลกแต่พราะอย่างยิ่งใจเป็นสําคัญจัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังข้องใจติดข้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ ท่านผู้วิเศษวิโสท่านผ่านพ้นไปามากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งทั้งที่หอบพบหอบชาติอยู่ตลอดอนันตการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาหามพบชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากวิบากคืออวิชาปัจจยาสังขาร สรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่า น, นี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสําคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้น ส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เ ร, เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือมันหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกาย <c oughs> ส่วนใจสบายดีหรือนี่ทําไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกศาสตร์มีแต่ผู้แบบกองทุกจมอยู่ในความความทุกข์เพราะอํานาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้า มหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีเหลือได้ยังไงนี่เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นของสําคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสําคัญใจเป็นของสําคัญอั น, อนดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ําหนัก ในความสำคัญยิ่งกว่าใจตรงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันสิ่งสมมติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ในร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก่อนนับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มาก นี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้าปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาทั้งมาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เลียงสาผาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึง เป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชาเป็นเชื้อสําคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูสงสูงต่ําๆแล้วรุ่มนๆนั้นเป็นเพราะอํานาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทําให้เกิดความทุกข์ความลาบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรม พาสร้างนั่นก็มีน้อยด้วยเหตุ น, นี้เวลาเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั้นสัตว์นั่นชื่อนั้นนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากกรอกไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาตัางหากตัวเขาเองเขา หาได้ทราบไหมว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใด <c oughs> มนุษย์เราจริงมากยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีฟรีตัวมีศักดิ์ศรียิย่งกว่าสัตว์ทั้งๆ ท, ที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัตจักรด้วยกันเรายัางทราบไมได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลาย ที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์ดานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรืออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดตาบ้านตาดนี้สัตมีจํานวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมนันเขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคน จะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเข า, ามีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสงหาผืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สําคัญตนมาฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจรึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันนี่ร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพรไเดชิ้าเข้ามาสู่ขัตมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สําหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสําคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนกลางแห่งศาสนาประทานตรงไว้สําหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเท ว, วดาอินพรมสัตว์ที่ฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ ในการราับศาธนาธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนะว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอาถาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกยุนโลกอวิชีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยว่าเป็นนั้นจริงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยูด่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็น เสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเย็นมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกรวงไปไหนที่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบว่นนี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของทิเลดปกคลุมหุ้มหอ่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ไปเกิดในภพใดชาติใด กำเนิดได้สูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือ ม, มีมากน้อยเพียงไงเราไม่อาจจะทราบได้บกเยันไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามาก น, น้อยเพียงไงคนราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทําไมจะไม่กระตือร้อนในเรื่องการอสอดสาอหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกซึ่งตนทังตนได้เคยแบกหามมาแล้วเป็นเวนานานานลาไหนเรา ต้องตะเกียบตะกายใจมนุษย์นี่เป็นใจสําคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลบับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะหลีกเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทําไมมนุษย์จะไม่ตะเกียบตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิจฉิดทวานเสียหมดจึงต้องบกเยือนเปลี่ยนพรเปลี่ยนชาติมาการนั้นไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ตลอดเวลา ม, มาจนไปสั้งปัจจุบันนี้ นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี้นี่จงว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการนับบวชนอาศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเรื้องดึงความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัญญาตัว ม, มืดมิดปิตวานภายจัยมันต้องชำระแก้ไขแบบ น, นี้ให้ได้จึงถือใจเป็นสาคัญ สิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปช่วยการช่วยลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมติสมหมายสมความมุ่งมั่นปฎถนาจนกระทั่งถึแงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคกไม่รอแหลกวอกแวกขลอนแฉกเองนู้นเองนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณแล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่ง อาหารปัจจัยหีบวานเครื่องนู่ห่มแค่สอยก็เลื้อเฟือบิงธบาอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเลื้อเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาชนะคืออะไรไม่ใช่หัวปราสากราชมนเทียนกี่ชั้นสี่ชั้นหรือสี่ชั้นห้าชั้นเก้าชั้นสิบชั้น ลกโมระเซนาสนหังนิส่าจะปรับประชาปตัตเตยาพชวังชาวชิวังสร้า ง, าางา โ, าโฮกา ย, ยู่นี้คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระปุ้มมุ่งและฆ่ากิเลสให้หอดมาฐานจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาธนะนี่เป็นที่เพียงพอแล้ว อ, อย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟอ้อมันโก้หูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัว จะเรียกว่าเสนาธนานิสมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าผู้จะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัตตน์ภาณหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบาย ถ, าถือตามหลักธรรมแล้วก็บกพ่องมากไม่ได้เหมือนขั้นพุทธการที่ท่านอยู่อาศัยหมาส่วนมากที่จะเสนาธนะในป่าในเขาตามร่มไม้ ในถ้ำเหมือมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสียนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นยาแ ก, โก้โรคแก้ภัยก็ถานยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูลเน่าทันมีไม่ว่ายาขนานใดเอ็มไปหมดมียังกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องและสนับพานอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเรา คือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเหล่านี้นเป็นสิ่งที่บกพร่องลงพยายามลื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกําลังในการต่อสู้กนที่เดออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพิเลอแต่ละประเภทต่อเภศ ภาทางการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงทัศนิและฉลาดพอตัวจนได้เป็นจ้ามนาจความเวใจของสา์โลกแล้วนเราจะทำอย่างไรละาหล่อเล้นแหล ะ, ละอยู่ได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำถังสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะ ในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนํามาประพฤติปฏิบัตินํามาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทําแหลกกันลงไปธรรมาแดนพ้นทุกจะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สี่ไปอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดรัฐฐานที่ใดอันใดจะดีในโล ก, กยิ่งกว่าการแก้ที่เลื ถอดถอนกิเลสฟาดันหั่นแหละกิเลสให้คลิปหายไว้วงประจากษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดาการเจาะแสวงหาใดาสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหละกับกิเลส น, นี้ไม่ได้สําหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจ มุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลาทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบทำ <c oughs> <c oughs> เรายังสงสัยอะไรในโลกวันนี้ทั้งๆั้งที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเหล่านี้ก่อนอื่นในขันห้าของเหล่านี้ก่อนอื่น รูปคือร่างกายของเรานี้มันกวนมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมา จ, จนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อขวนเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นมากับธาตุกับขันพาอยู่พากินพาขับพาถอดพาถ่า ย, าายเบี้ยวเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันนี้เป็นความทุกข์ความลําบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียร้อนแต่และอย่างละอย่าง ที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันแล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทําลายอยู่ตลอดสาหรับธาตุขันกหาเกาะห า, หาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงเอื้อสายให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอํานาจของที่เด็ดตัญหาประเภทต่างๆ มีบังคับให้คิดให้ตุงให้ทะเยอทยานให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นราฐานที่ที่ให้มีความสุกความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจท่ามไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าสิกอยู่ภายในาจานี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอขีกับขีกันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกันกบย้ายนักโทษจากเรือนจํานี้ไปสู่เรือนจํานั้ น, นั่นแหละ ผิดแตกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้ยูนั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่สามแดนโลกธานเราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตาาไม่ใช่เรือนจาของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้น นอกจากจะให้พ้นี้ไปเสียเท่านั้นเรื่องจะเป็นอิสระเชื้โรคอิสระเชื้อรีนี่เท่านั้นอ้าวคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความพิเศษพิสวจอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความพิเศษพิสวจอะไรกับดินฟ้าอากาศอืผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกื่อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลําบากลำบนเช่นเดียวกันหาความพิเศษพิสวจอะไรกับขันนั่นนั้นแล้วตื่นอะไรเวลาไหน เคิดายดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิเศษวิสูอะไรเราเจาะแสวงหาอะไรดิ้นลนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสําคัญมันหมายหลอกน้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมยาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอ เราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งซองดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจยูกับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้จริงอนาจาังนักปฏิบัติยาเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วมันรู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไรมันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ ความอดทนกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศ า, าสดาที่พ า, พาดําเนินมาแล้วยาท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศทอถอยเป็นเพศสุขขุมละเอียดคำพิล า, า้าเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านใจตองทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดถึงจิดจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดตรุงอันเป็นเครื่องอ ย, ยุ่ยแย่ก่อควรที่ออกมาจากใจของตนแทๆ้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกัน้วกิเลศมันก็ปู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลศเครื่องฟาดปันลึกตราปรามรักิเลศก็อยู่ในจิต คิดขึ้นมาได้เพ ร, ระาะพุทธเจป้าผิดมาแล้วสาวก ท, ทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระไัยและพอใจของท่านได้หลุด พ, พนกก้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทําไมเราจะมาแบกมาหามคมาว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นํามาใช้สำหรับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้กินให้จังนะปฏิปั ต, ติอย่าท้อตออ่อนแออย่าเสียดายปัจชา้า ยาห่วงใยอะไรในโลกของสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกเราก็ได้ทราบมาทุกพอแล้วไม่ต้องว่าห้าทุกความทุกเราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่มันเกิดมามีทุกมากน้อยเพียงไรทางบ้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอยอุมนันลานฟ้าที่ไหนมันจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกัน เพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากกัิสระตัดสินที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสีีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลอยูหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วายเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือน ก็ได้รับกระทกรการเทือนมาเป็นเวลานานนะ้รสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาที่เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คําว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอยียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละไม่ได้อยูที่ไหนพยายามทําให้เกิดทำไมใจะจะสงบไม่ได้ มันเคยกำเริบเสืกสารมาตั้งแต่มันเกิดจนกระทั่งแันนี้ทำไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบเสืกสารนั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาที่ความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบย่ออยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความย่ออยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางหน้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความ สงบเยือกเย็นพานจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกาเรเลิกเถิดสารความมุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนๆเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่ๆลงไปมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปเดิมำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขนาดจิตนั้นจะต้องตําหนิความมุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัว เราที่นั่งปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตงุตงตุงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาพ้นมาพิจารณา ม, มาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับพี่เล่ เบื้อวิธีการต่างๆนาํามาใช้สติปัญญามีอย่านอนกอดเป็นยืดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดๆแล้วในตำลับตาลาท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไว้แล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษ อวัยวาส่วนภายในกลับตายแทบพุงอาหารใหม่อันเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราก็ควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่า น, นี้คุกเข่ากับสิ่งเหล่า น, นี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่า น, นี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทําไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วยังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาพิคายดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามทำที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจอมปลอมอันชี้เด็ดเสียสันตันยอไว้นี่แหละ ไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจำความของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิปตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอนกา ร, รยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนเอาห น, นามหรือเอ า, ล า, อเา ห, ล, ห, ล, ห ล, ล้ายอกเข้าในหัวใจเราเนั่ยผลเป็นยังไงเป็นถูกหรือเป็นทุกถูกแหลมเล้ายอเข้าในหัวใจเป็นยังไง นี่แหะกิเลสมันเป็นแหลมเป็นเหลาแยกภายในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะ ก, กันออกทอดออกพรอนออกแหลมเหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนเห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทัวถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในอวบวงวัยวะนี้หาจะเที่ยววิญวะใดก็ตามเมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั่น ตลกหลายตลบทบถวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้ส่งได้สายแสไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาทาําบังคับกิเลส บ, บังคับเคยบังทับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมวลบัดนี้จะให้ทําเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือ ใ, ใช้อาการของจิตมีสติ ป, ปัญญาเป็นสาคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั่นนี้ใถ้าเห็นตามความจริง แล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสีย้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภ า, ายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้เน็ตหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้ว มีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อขวนจิตใจไม่มีอะไรก่อขวนดินผ้าอากาศเปนดินผ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตัทพีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นค่าสิบเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมงอยู่ายจิตใจนี้เป็นตัวทาําหลักเห็นโทาก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันที่นี่ให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง สั่งสอนไม่แล้วจะรู้กันพี่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ทำทั้งหลายใ น, นขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจากสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้เน้รู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังทำทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิทำปัญญารมวิมุตติทำดูดพ้นกันที่นี่ไม่ดูดที่ไหน นี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอหมู่เพื่อนเต็มทะิกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในทมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงจริงต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่อตอัตตอธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงในสังเกต จอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อทมที่ทันชี้แจงแสดงต่ก็ดีหรือมูเพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางในก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเกินใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเก็ะละกะหยดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ้มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไป พระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั่นมาคณะนี้ไปมากีมากฝังกันโดยหาเหตุหาผลมาได้ทั้งๆงที่มีเจตนามันก็หนักได้อืสูงทั้งท่อนปแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันจีบมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนแล้วเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวัง แต่จเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สําคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่ได้มีสิ่งโรคกรุงลังหูตาอนี้ออกมาแสดงยีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้ากันตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทําเล่นอย่าละหล่อแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทําอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากห เมื่อเกลียดมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝูนได้มันเป็นความจริงรล้วนด้วยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปรอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจรึงได้ฝืนเราจรึงได้รบเราจรึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้อืมฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับเกลียดซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกเพราะเป็นเจ้าอํานาจนบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของน้ำมาต ยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสําคัญที่จะให้ถึงจุดหมายแต่ทางหรือตึงแดนแห่งความพ้นทุกปราบกิเลสแห้าราบลงพานจิตใจได้ทพราความทุกข์ยากลําบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเรายานนํานความทดแท้ออนเดว่าทุกข์ว่ายากว่าลําบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้อืคเรื่องของธรรมล้วเอานักสู้สู้ไปเลยยิเล ด, ดตายมากน้อยเพียงไรนั้นแหละ เป็นความชอบทําของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพระุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทําความเพียรตายสอนให้คนทําความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นหรืเราอาจจะกลัวแต่ตายเราเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายมั่งสิเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้าง ภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความก็ยิ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันทำก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับๆพราะที่เด็ดหลุดลอยไปมากน้อยทำปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีถูรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีใครที่จะรู้แจ้ยงยิ่งกว่าจิตนั้นในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสบดบบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งดนกแกวหลักฝอยเท้าในตปะธรรมด้วยปัตตะธรรมแล้วนั่นแหละที่หีสันติ มหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวท ง, ทงทั้งๆที่พลาดขันนี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นอิมุบุดูดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแหลเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบค์และสาวกทั้งหลายทร ง, งรู้ทรงเห็นและประธานทำไว้ให้พวกเราทั้งหลาย ได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำอันเลิศ ด, ดวงนั้นนั่นแหลเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิดในเวลานี้เรามาหาทำเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบงังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรกักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะ เพรจึงตองในได้ใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกําลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาเกเพียอนในรับความทุกความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอํานาจของมันแล้วเยียบย่ําทําลายมันลงเสียที่ที่เรียกว่าราบมาบแต่งนั่นเองที่เลส ร, ราบอย่าให้กิดราบเพราะอํานาจของกิเลส เวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรามันคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไร ห, หรือผู้มาเกี่ยวข้อง จะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามคุสมัยความสามารถฉลาดของเขาพอได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาไปรับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นหาสมบัติครองอยู่ภานจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนไข หากรู้จักประมาณรู้จักเวลมเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคําว่าหมดผ้าสิ่งและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าระสาบกท่านทําประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทำสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วแล้วเราในขณะนี้มาทําประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบ รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์มูเพื่อนท่านผู้ใดทําถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีฉะนั้ขอให้ทุกๆ ท, ท่าน ในรักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลําดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลําบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นค่าสืบต่ออนาคตในการประกอบเพิ่มเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยอทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์ขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลาทางแล้วไม่ต้องบอกข้อรู้เองยัขอให้ทุกท่านนํนาไปพฤ้นปฏิบัติ การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรมวมรู้ึกเหนื่อยขึ้นมา